หลักการสําคัญของการบรรลุนิพพานข้อก่อหลักทั่วไปในชาณสูตรอังกุตต ร, รนิกายนวาการนิบาตมีบุพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานก็ได้อาศัยทุติยฌานก็ได้ตติยฌานก็ได้ จะตุถชานก็ได้อากาสานัญจายตนะก็ได้วิญญาณัญจายตนะก็ได้อากินจัญญาตนะก็ได้เนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ได้หรือสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้ความต่อจากนี้ในพระสูตรนี้และความในพระสูตรอื่นอีกสามแห่งคือมหามาลุงกโยวาทสูตรอัตกะนาคระสูตรและทัศมัสูตร รวมเป็นสี่พระสูตรทั้งชานสูตรด้วยนี้บรรยายวิธีใช้ฌานสมาบั ต, แติแต่ละขั้นแต่ละขั้นในการพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริงคือที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาดังตัวอย่างข้อความต่อไปในชานสูตรข้างต้นนั้นว่าก็ข้อที่เรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานก็ได้ดังนี้ เราอาศัยอะไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุปฐมฌานเธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเวทนาสิ่งที่เป็นสัญญาสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งที่เป็นวิญญาณอันมีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นของศูนย์โดยความเป็นอนัตตา เธอยังจิตให้ยังหยุดยังจิตให้หันกลับคือคลายหรือไม่อยากได้ไม่ติดจากทำเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออามาตะธาตว่านั่นสงบนั่นประณีตกล่าวคือนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะยังมีธรรมราคะก็จะเป็นโอปปาติกะเป็นผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือเป็นพระอนาคามีต่อจากนี้บรรยายการอาศัยทุติยชาญ ต, ตัทยชาญเป็นต้นเพื่อจเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอาสวะคไหอย่างนี้เรื่อยไปตามลำดับทีละขั้นทีละขั้นจนถึงอากินจัญญายตนาชาญ ข้อความจะต่างกันเพียงว่าในอรมูปฌานคือตั้งแต่อากาสารัญจารยตนะขึ้นไปตัดคําว่าสิ่งที่เป็นรูปออกเช่นในรูปฌานพระองค์ตรัสว่าภิกษุในธรรมวิไยนี้บรรลุ ป, ปถมฌานเธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเวทนาเป็นต้นในอารูปฌานพระองค์จะตรัสว่าภิกษุในธรรมวิไยนี้ บรรลุอากาศานัญจายตนะเธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นเวทนาดังนี้เป็นต้นเพราะในระดับอรูปฌานไม่มีรูปธรรมให้พิจารณามีแต่เพียงนามขันศีรคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนข้อความว่าเธอดำรงอยู่ในนั้นคือเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นหรือในทุติยฌานนั้นในตติยฌานนั้นเป็นต้น จนถึงในอากินจัญญาจตนาชานนั้นคําว่าเธอดํารงอยู่ในนั้นแปลาจากบาลีว่าโสตัถะทิตโตแปลาตามตัวว่าเธอดํารงอยู่ในนั้นคัมภีร์มโนรัฐปูรันีหน้า35มห้ไขความว่าเธอดํารงอยู่ในปฐมฌานนั้นหรือในทุติยฌานนั้นในตติยฌานนั้นเป็นต้นจนถึง ในอากินจัญญาญาตนะชาณ น, นั้นยังวิปัสสนาอันแรงกล้าให้เจริญแล้วบรรลุอรหัตผลหรืออีกนัยะหนึ่งว่าดำรงอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นคัมภีประปัญจสสทนีหน้าหนึให้แปลอย่างนัยะหลังส่วนคำพีประปัญจสูทนีหน้า11และคัมภีมโนรัฐาปุรณีหน้า436 ให้แปลว่าเธอดำรงอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นความในพระสูตรที่บรรยายวิธีใช้ฌานสมาบั ต, แติแต่ละขั้นแต่ละขั้นในการพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริงนั้นในมหามาลุงกโยวาตสูตรแสดงรายละเอียดน้อยกว่าแต่ก็กล่าวถึงการพิจารณาขันห้าที่มีในฌานแต่ละขั้นโดยไตรลักษณ์จนบรรลุอาสวัคไคอย่างเดียวกันนี้ ตลอดขึ้นไปถึงอากินจัญญาจจตนาชานเช่นเดียวกันส่วนในอักตกะนาคระสูตรและทะศัศมสูตรมีข้อแตกต่างเล็กน้อยคือข้อความที่บรรยายการพิจารณาแปลกออกไปว่าภิกษุบรรลุปฐมชาญเธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปฐมชาญ น, นี้เป็นของปรุงแต่งเกิดจากความจำนงให้เป็นเธอรู้ชัดคือรู้เท่าทันว่า สิ่งใดก็ตามเป็นของปรุงแต่งเกิดจากความจำงให้เป็นสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลายที่นี่เพิ่อเมตตาเจโตวิมุตตกรุณาเจโตวิมุตติมุติตาเจโตวิมุตติอุเบขาเจโตวิมุตต์เข้ามาแทรกระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานอีก ทำให้มีฌานสมาบัติสำหรับพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก4ขั้นอย่างไรก็ตามรวมความแล้วพระสูตรทั้งสนี้มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันผิดแผกกันบ้างก็เพียงในส่วนรายละเอียดและวิธีบรรยายความเท่านั้นพระสูตรทั้ง4แสดงการอาศัยฌานเจริญวิปัสสนาทำอาสวัคคตามลําดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญญาเจตนะ แล้วก็หยุดหลงทั้งหมดมีพิเศษแต่ในชานสูตรซึ่งมีคำสรุปว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนิแลสัญญาสมาบัตมีแค่ใดอัญญาปฏิเวตก็มีแค่นั้นขยายความว่าสมาบัตที่ประกอบด้วยสัญญามีแค่ใดการตรัสรู้หรือการบรรลุอรหัตผลก็มีแค่นั้นข้อนี้ หมายความว่าในฌานตั้งแต่อากินจัญญายาตนะลงไปมีสัญญาสำหรับให้กาหนดพิจารณาได้จึงทำวิปัสสนาให้บรรลุอาสวัคไขได้ในฌานเหล่านั้นส่วนเนวสัญญานาสัญญายาตนะมีสัญญาซึ่งละเอียดเกินไปจนเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาคือจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ จึงไม่อยู่ในภาวะที่จะใช้งานในการกําหนดพิจารณาได้ครั้นถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธก็ดับสัญญาและเวทนาเสียเลยเป็นอันไม่ต้องกล่าวถึงดังนั้นสมาบัติทั้งสองนี้จึงไม่เรียกว่าสัญญาสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนี้จะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายาตนะและสัญญาเวทยียตะนิโรธบรรลุอาสวัชไขได้อย่างไรตอบว่า สำหรับสมาบัติสูงสุดสองระดับนี้ต้องออกมาก่อนจึงใช้ปัญญาพิจารณาสังขารให้บรรลุอาสวะคขายได้ข้อแรกคือเนวสัญญาณาสัญญายาตนะพึงดูบาลีในอนุปปฏัฏฐตรมัชิมานิกายอุปริปันนาดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นต่อไปอีกสารีบุตรก้าวล่วงอากินจัญญาญาตนะโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าเนวสัญญาณาสัญญายัตนะอยู่เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้นครั้นออกจากสมาบัตินั้นอย่างมีสติแล้วธรรมเหล่าใดล่วงไปแล้วดับแล้วแปรโปรนไปแล้วเธอพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นว่าธรรมทั้งหลายอย่างที่ทราบมาก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีแล้วก็มีแก่เรามีแล้วก็ดับหาย พึงเทียบกับคำบรรยายการพิจารณาสังขารในอากินจัญญายัตนะซึ่งไนกล่าวถึงการออกจากชา น, นั้นหรือแม้ชานอื่นๆที่ตามลงไปทั้งหมดก็อย่างเดียวกันดังความในสูตรเดียวกันนี้เองว่าข้ออื่นต่อพปออกสารีบุตรก้าล่วงวิญญาณัญจายัตนะโดยประการทั้งปวงแล้วมณสิการว่าไม่มีอะไรเลยเข้าอากินจัญญายตนะอยู่ ทาเหล่าใดในอากินจัญญายาตนะคืออากินจัญญายาตนะสัญญาจิตเตกักตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมบวิริยะสติอุเบขาและมณสิการทาเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยที่เธอรู้ปรากฏอยู่ก็รู้ถึงความดับก็ ร, กรู้เธอทราบชัดดังนี้ว่า ทำทั้งหลายดังได้ทราบมาก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีแล้วก็มีแกเรามีแล้วก็ดับร่วงไปส่วนข้อสุดท้ายคือสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัตมีคำอธิบายทำนองเดียวกันกับเนวะสัญญานาสัญญายตนะคือเข้าสมาบัตินี้ครั้นออกแล้วจึงพิจารณารูปธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในสมาบัต หรือพิจารณาทำทั้งหลายซึ่งเป็นไปในเนวสัญญานาสัญญายาตนะที่ผ่านมาก่อนแล้วหรือจะพิจารณาสังขารธรรมทั่วไปดังจะกล่าวข้างหน้าก็ได้พิจารณาให้เข้าใจสภาวะที่เป็นจริงด้วยปัญญาจนถึงความสิ้นอาสวะอย่างไรก็ตามข้อนี้จะได้กล่าวต่อไปอีกในฐานะที่เป็นหลักการขั้นมาตรฐานสูงสุดสำหรับฌานสมาบัติที่ต่าลงมา คือตั้งแต่อากินจัญญายาตนะถึงปฐมฌานจะออกจากฌานสมาบัตนนินั้นๆก่อนแล้วจึงพิจารณาสังขารธรรมคือขันหหรือองค์ฌานเป็นต้นที่มีในฌานสมาบัตนนินั้นๆทนองเดียวกับสมาบัติสูงสุดสองอย่างหลังนี้ก็ได้แต่เท่าที่ยกหลักฐานข้างต้นนี้มาแสดงก็เพื่อให้เห็นข้อพิเศษว่าในฌานสมาบัติเหล่านั้นสามารถจเจริญวิปัสสนาภายในโดยยังไม่ออกมาก่อนก็ได้ และจะบรรลุอรหัตโดยใช้ฌานระดับไหนก็ได้แต่สมาบัติสูงสุดสองอย่างคือเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยยตนิโรธต้องออกมาก่อนจึงจะเริ่มวิปัสสนาได้